สร้างกรมก ร, ม, ร, กรมดีหนีกรรมชั่วสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วหมายความว่าเราสร้างกรรมดีเราไม่สร้างกรรมชั่วเพิ่มเติมถ้าเรามีกรรมดีผลของกรรมดีมันมีมากมันมีกําลังแรงกว่ามันก็วิ่งหนีได้เร็วกรรมเก่ามีกําลังน้อยมันวิ่งตามไม่ทันมันก็เว้นว่างไว้ชั่วขณะหนึ่ง แต่ถ้าเราประมาทเราไม่ทำกรรมดีต่อเราเสวยผลกรรมดีมันหมดลงหมดลงกรรมดีมันอ่อนกำลังลงกรรมอันเป็นบาปเนี่ยมันก็วิ่งตามมาทันมันทันเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเปรียบเทียบไว้ว่ากรรมที่เราทำเอาไว้แล้วเนี่ยเหมือนกับหมาไล่เนื้อหมาไล่เนื้อก็วิ่งตามไปอยู่อย่างนั้นมันทันเมื่อไรมันก็กระโดดกัดเมื่อนั้น กรรมที่ทำแล้วไม่ต้องรับผลไม่มีมีตกรรมที่ไม่เจตนาเช่นอย่างเราเดินไปเราเดินไปตามถนนหนทางบังเอิญไปเหยียบสัตว์ตายอันนี้กรรมไม่เจตนาขับรถไปหมาวิ่งตัดหน้ารถคนวิ่งตัดหน้ารถไปชนสัตว์ตายชนคนตายอันนี้กรรมไม่มีเจตนามันเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ถ้ามีเจตนาวิ่งไปชนเขาตายมันสำเร็จเป็นกรรม